ตอนอบรมคอร์สนาวามินครั้งที่สี่ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม2560ตอนที่เจ็ดจัดคอร์สอบรมนักเรียนก็ปฏิบัติเช้าเย็นแล้วก็เขาพัฒนาโปรแกรมนี้เนี่ยเข้าไปในห้องเรียนนะเข้าไปในห้องเรียนเขาวิจัยแบบวิทยาศาสตร์แะทีนี้พัฒนาการของเด็กเนี่ยก้าวกระโดด ปีนี้เป็นปีแรกที่กันแน่ใจแล้วเนี่ยเขาก็ประกาศว่าเขาเป็นโรงเรียนแห่งแรกเนี่ยที่ใช้โปรแก ร, รม S b n d D แรกๆผู้ปกครองก็ต้านแต่เขาพิสูจน์ได้ว่าเด็กมันมีพัฒนาการทั้งเรื่องร่างกายจิตใจและอารมณ์แล้วก็สมองนคนที่เรียนเยอะๆ เ, เป็นดอกเตอร์เนี่ยบางทีพ่อครูพูดพุเขาไม่เข้าใจที่พ่อครูบอกพูดคาแรกปุ๊กก็ไปคิดแหะ คำีิษสองที่สามเีตามนมี้ทันทีนี้ครูก้อยเขาทํำยังไงเขารีพีทฟัง youtube พ่อครูเนี่ยไม่รู้เป็นสิบรอบถามแก้วว่ายู u ูบพ่อครูที่พ่อครูพูดมาเนยไอ้ที่บันทึกไว้ได้เนี่ยเกือบสองร้อยคลิปแต่ก่อนหน้านี้ที่ว่าแก้วยังไม่ได้มายังไม่มีการนัดนทะิศไม่รู้จะพูดคือพ่อครูเป็นคนค่อนขั้ น, นพูดมากไปหน่อยเลยนะบางครั้งเราอยากพูดเราจะไม่พูด บางครั้งไม่อยากกูก็ต้องพูดถ้าเป็นการพูดเพื่อให้นะเขาฟังฟังเขาจับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเลยนะชิปหนึ่งพอกูเคยพูดบอกว่าถ้าใครเคยดูภาพยนตร์จีนสมัยโบราณนะเวลาอ่านหนังสือไปสอบจ้อหมอนุนเะห็นไหมเขาจะอ่านออกเสียงนะแล้วเขาจะหมุนไปด้วยเห็นไหมอ่านออกเสียงแล้วมันได้ยินเสียงปุ๊บมันจะเข้าไปในจิตเลยมันไม่ผ่านความคิด พวกเราทุกวันนี้เนี่ยเห็นอะไรปึ๊บแทนที่จะเอาไปเข้าตรงๆก็คิดก่อนนะคิดก่อนพอคิดปึ๊บเราจะเอากิย์เลตเราบวกเข้าไปด้วยมันเป็นอย่างนี้ตลอดแต่คนจีนสมัยโบ ร, ราณเขาอ่านหนังสือเขาหมุนเขาออกเสียงมันก็เข้าหูเข้าไปในจิตเข้าไปในจิตเหมือนเหมือนเอาข้อมูล น, นี่ส่งเข้าไปในบันทึกในจิตโดยตรงเลยพอจะใช้มันก็ไหลออกมาไหลออกมา ด็อกเตอร์ก้อยเขาเอาโปรแกรมนี้เข้าไปในห้องเรียนเองมีสามอย่างคือหนึ่งหมุนแล้วฟังสองดูแล้วก็หมุนเอาภาพนั้นเข้าไปนะแล้วก็สามไม่รู้แหลกโปรแกรมจนะทำสามอย่างแกลองอยู่ตอนช่วงปิดสมมร์แล้วเนี่ยพอเด็กจะเข้าเข้าค่ายพุ่ปแกประเมินทั้งหมดเลยพอสมมร์เดียวเนี่ย มันพัฒนาการมันก้าวกระโดดมากนะเขาเป็นโรงเรียนใหญ่เขาจะทำอะไรเขาต้องเาต้องวิจัยแล้วปีนี้เป็นปีแรกที่กประกาศเลยว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่เอาโปรแกรม S and D เนี่ยเข้าเป็นเป็นขบวนการการสอนนะก็ตอนปิดเทอมที่แล้วเนี่ยพวกเราก็ยกทีมไปอบรมครูนะห้ารคน ต้องพัฒนากูเรื่อยเรยทีนี้เขาพัฒนาองค์วิชานั้นมันมันไม่อยู่กับที่หรอกเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยทีนี้ไอ้ที่สําคัญคือพัฒนากายพัฒนาจิตพัฒนาอารมณ์นะไอ้นี่สําคัญที่สุดเหมือนเราต้องเปลี่ยนความพร้อมทุกวันส่วนในเรื่องวิชาการมันเปลี่ยนไปตลอดชีวิตไอ้เรืนี้มันก็เป็นแต่ถ้าเรามีมีกายฟิตจิตเฟิรม์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขแล้วก็มีศีลมีธรรม มีสติมีสมาธิแล้วเนี่ยนะชีวิตเราก็ลดความเครียดแล้วก็เขาเขาเาวิจัยเรื่องสุขภาวะของคุณครูด้วยของเด็กด้วยเนี่ยหลังจากปฏิบัติมาแล้วเนี่ยการใช้ยาเนี่ยหายไปเกือบเก้าสิบเซเกือบเก้าสิบเอร์นโะดยเฉพาะชีวิตเราเนี่ยเครียดบ้างภูมิแพ้บ้างอยู่กรุงเ ท, ทพสุขภาวะไม่ดีอันนี้มันหายไปเกือบ อันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ว่าโปรแกรมนี้มีประโยชน์ต่อชีวิตนะอันนี้เรื่องก่อนพิทัก์ส่วนเรื่องศูนย์ประลานคอยเราก็ทำกิจกรรมไปเรื่อยๆนะแต่เป้าหมายที่พักูสร้างบุญตั้งบุญที่เพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลานคอยเนี่ยบางคนเข้าใจว่าผู้ด้อยโอกาสเป็นเห น, นที่คนคนจ น, นจริงๆเข้าใจผิดนะจริงๆแล้วเนี่ยคุณบิวเกต น่าจะต้องไปเยี่ยมพ่อคูหน่อยสักครั้งนึงคุณบเบลเกตก็เป็นผู้ด้อยโอกาสในการเรียนรู้เรื่องชีวิตไม่ใช่คนจนเพราะมันไม่มีจริงๆในโลกนี้เข้าโรงเรียนปุ๊บมันก็สอนให้เราหน่อนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นะวิชานอนวิชาที่วิธีหาเงินวิธีสร้างอนาคตไม่เคยมีใครสอนให้เรารู้จากชีวิตเลยนะคำว่าผู้ด้อยโอกาสในที่นี้เนี่ยคือผู้ด้อยโอกาสในการเรียนรู้เรื่องชีวิตไม่ได้ไหมายความว่าคนจน อันนี้กว้างมากผู้ได้โอกาส น, นทุกสาขาอาชีพไปใช้ประโยชน์ได้นะบางทีเราเก่งมากเก่งหาเงินแล้วก็สร้างอัตตาขึ้นมาตัวตวเนเยอะแล้วกดดันตัวเองตัวเองก็เครียดเครียดจนเกิดโครคภัยไข้เจ็บ น, นะก็ไม่รู้จะรวยไปทำไงนะถ้ามันจะเป็นต้องรวยก็รวยเถองไม่มีใครว่าแต่อย่าไปทุกข์กับมันเนาะ ถ้ามันจะเป็นต้องจนก็จนเถิดอย่าไปทุกข์กันเหมือนกันนะก็พวกครูมีคําถามต่อเดี๋ยวไปเร็วๆหน่อยพ่อไม่มีเวลาเนาะการปฏิบัติจิตในจิตที่บ้านถ้าสามารถเข้าจิตในจิตได้จะเป็นอันตรายไหมครับไม่มีหรอกครับจิตมันรู้เองว่าเรารู้ตัว ต, ว ต, วตวลอดไงไม่ใช่เรื่องถูกคนพวกคนทร ง, พ ว, ทรงพวกอะไรนี่นะไ อ, ท อ, อะไ้ทรงเนี่ยคืออะไรทรงนี่คือเอา s i d อินพลังข้างนอกมาครอบกับ ร่างกายเรา <c oughs> เราไม่มีสติเราก็ถูกไอพาราตรงนั้นเน่ะมันใช้ร่างกายเราไม่เคยกินเหล้าก็บอกกินเหล้าไม่ต้องทำอะไรก็ทําทําร้ายตัวเองอ น, นั่นคือเราขาดสติแต่ที่เราจิตในจิตเนี่ยมันอินไซอาลเป็นจิตเดิมมันแสดงบนทากายภาพ <c oughs> มันรู้ว่าร่างกายนี้ตรงไหนบกพร่องตรงไหนไม่สมดุลมันจะปรับสมดุล น, นะจิตไม่มีวันทําร้ายร่างกายนี้นอกจากจิต เอเขาเรียกว่าจิตมันมันป่วยคล้ายๆว่ามันเป็นบ้าเ น, นี่ยแหล ะ, ะเป็นบ้าเนาะบางทีเขาอามีดมาแทงตัวเองอะไรเหมือนไม่เหมือ น, มนไม่บ้าเขากินยาให้มันบ้า น, นี่ยแหะถ้าจิตจริงๆแล้วจิตใต้สํานึกเราเนี่ยไม่มีทางจิตปัจจุบันที่มันบ้าเพราะว่ามันไปหลงไงเป็นจิตยาบ้าแล้วไปหล ง, ลงโลภโกรธหลงยากจนไปฆ่าเขาก็ได้เผิดหวังมากก็ฆ่าตัวใดก็ได้อันนี้คือจิตปุงแต่ ถ้าเป็นจิตเดิมเรานี่ไม่มีทางเขาต้องใช้ร่างกายนี่เป็นเครื่องมือเดินทางไกลของเขาเขาจะารักษานะไม่ไม่อันตรายครับทำได้ที่บ้านแต่อย่าประมาชนเพราะว่าถ้าบังเกิดเราไม่เตรียมความพร้อมเนี่ยเพราะเบียงเวียนเวียนมันจะหงายลุลงไปถ้าเกิดข้างหลังเนี่ยมันมีของแข็งเราจะไปหยุดมันไว้เราจะพลาดโอกาสนะบางครั้งเขาไปในจิตป๊บไปเห็นอารมณ์เนี่ย เอาเมือทีอย่ไปเราจะโดนของแข็งนะพยายามอย่าประมาทตรงนี้ถ้าเรารู้ว่ามีของแข็งบางทีเราจะคุมเราไวเนี่ยมันจะไม่มีพลังมันมันก็สะสมแต้งไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเตรียมพร้อมแล้วเนี่ยเราไม่รู้หลงวินาทีนั้นอะไรจะเกิดขึ้นถ้ามันยี่สิบแปดปีพ่อครูนเนี่ยตอนจิตมันหลุดพ้นนะ่ะเจสิบเอร์ซมันออกทางทั้งบนหัวเนี่ยนะพุ่งลงไปข้างล่างเนี่ยลดลงไปลงถีจิตหลุดพ้นเลยนะแต่ถ้าเราเวลานั้นอนะ่ะ เราก็มีสติแล้วก็กลัวถูกของแข็งลราไปยั้งมันไว้เราพลาดโอการเลยนะก็ทําได้แต่ว่าอย่าประบาทอย่าอยู่ใกล้ของแขงข้างหลังก็มีหน้าจะมีหน้ามีเบาหรือว่ามีหมอนในรองไว้หน่อยหนึ่งผมามาลงกันลงลไปเลยนะวิจารณ์ที่มันเวียงลงไปเลยเนี่ยมันจะมีพลังเนี่ยปลดปล่อยให้ตัวเองมันไม่ได้หนีไปไหนนะไม่ได้ออกจากร่างมันหลุดพ้นจากความเป็นทาตของใจนะวินารทีนั้นใจมันจะสั่มออยมันใจสั่นนะ มันจะบอกว่ามันจะขาดใจแล้วมันจะหลอกให้เราหยุดอย่าหยุดนะครับให้ให้ใจมันตายเลยมันไม่ตายจริงๆหรอกมันหลอกเราคาสอนของพวกกูฟังง่ายเข้าใจดีมองเห็นภาพเพราะคือความจริงแต่การทำจิตในจิตเวียงถ้าไม่ปฏิบัติเลยหรือไม่ทตาต่างคอสจะมีคำแนะนำอย่างไรครับ คือถ้าเรากลับบ้านี่ยเราคงไม่มีเวลาทําตามคอสทิ้ทั้งหม ด, ดนะแต่ช่วงที่เรามาเข้าตรงนี้เนี่ยแต่และคอสแต่และช่วงเวลาเนี่ยมันมีในยาของมันนะเป็นเทคนิคที่พยายามปลดปล่อยจีละยางทีละยางทีละยางโดยเฉพาะยืนๆก็ไม่ยืนสัน่นะนะก็เอ๊สั่นทำไมนะไอเอ๊สนั่นแหละคือกินเลยเอ๊ยยืนๆก็มาลั่มมันเขินวะ่ะรู้สึกอายวะ่ะอันนี้ก็กินเลยนะ แล้วข้ามทีละขั้นทีละขั้นเอาอยกหยาบออกก่อนอย่าหยาบก่อนทีนี้เมื่อจิตมันอิสระมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเมื่อมันเร็วขึ้นปึ๊บตอนนี้มันสะสามคดีความของเก่าละ่ะลึกๆมันเป็นเทคนิคทีนี้พอเราชำนาญแล้วเนี่ยมันจะมีเวอร์ชั่นหนึ่งที่เกิดในศูนย์เพื่อปีที่ผ่านมานะที่พ่ะปู่เห็นจิตและวว่าอืมแล้วก็มีเวอร์ชั่นที่เมื่อวานนี้พี่แพรมาหมุนให้เราดูอันนั้นสุริยนันตัญท ไอ้ตัวนั้นแหละมันจะรวมทั้งสี่โปรแกรมนี้อยู่ในหนึ่งเดียวตรงนั้นเอากำลังที่เราฝึกมาทั้งหมดอยูอย่ตรงนั้นอ่าไอ้ตัวนี้หมุนแน่นอนถ้าเราไม่ใช้สติเราไม่มีสมาธิเราลมละเผิดคลิปปุ๊บเซ่เลยนะอันนี้เรียกว่ามหาสติปฐานกายเวทนาจิตทำรวมเป็นหนึ่งเดียวนะตอนที่เราจิตในจิตนี่อันนี้ไม่ใช่มหาสตินะอันนี้เหวี่ยงเข้าไปในจิตในจิตนะ ไปเสรรมในธรรมบางทีเราต้องระลึกชาติตอนระลึกชาตินี้เรียกว่าปุพเพนิวารสาลุสติญานญาณรู้ว่าในการระลึกชาติเป็นาศาสาสหนึ่งแต่ถ้าไปหลงอดีตชาติปุ๊บก็ไม่ใช่ทางผลทุกแต่ไปเห็นอดีตเนี่ยเพื่อให้จิตปัจจุบันเนี่ยจางคลายความลังเล ส, สงสัยว่าเวียนว่ายตายเกิดบาปบุณคุณโทษมีจริงนะ แต่แค่นี้แหละแค่เจริญมาหาสติเรานั่งหมุนแบบนี้ละเออมันแสดงอาการออกมาบ้างแต่อยู่ภายใต้การควบคุมเรารู้ตัวทั่วพร่อมนี่คือสติสัพพัญญาสะสมแต้มไปเรื่อยๆแล้วเลือดลมมันก็วิ่งถ้าเรานั่งไปกําหนดในที่เราเอาจิตอย่างเดียวเนาะอย่างครูบาอาจารย์ร้อยปีที่ผ่านมาที่เราสัมผัสได้ในะสายวัดป่าเราเนี่ยออท่านเหล่านั้นก็มาบรรลุธนะแต่ท่านเอาจิตอย่างเดียวนะสะสมแต้มในจิตแต่ว่ากายภาพสุดท้าย หลายท่านน่ยก็เป็นอามภภาพอามภพึกในตอนบั้นปลายชีวิตมันเป็นกรรมนะการทรมานสังขารเนี่ยไม่ใช่ความเลียรชอบไม่ใช่ทางสายการแต่ถ้าสั่งมหายาณเขาเนี่ยโดยเฉพาะวัดเส้าดินมีหลายร้อยกระบวนท่านเนี่ยส่วนใหญ่เคลื่อนไหวหมดเข้าเอากายด้วยพระที่นุ่นมันอยู่ในป่ามันมีโรคภัยไข้เจ็บมีโจทย์ผู้ลายเขาต้องฝึกวิทยายุทธ์เพื่อป้องกันตนเอง นะแล้วเขาเอาการฝึกวิจารย์ยึดยเพื่อล่างกายแข็งแรงเพื่อป้องกันพป้องกันโรคไปกั้เจ็บ ด, ด้วยป้อง ก, กันพวกโจรผู้ร้ายด้วยเนี่ยก็ เ, เอาตัวนั้นเป็นเครื่องมือในการฝึกจริตเหมือนกันแต่บ้านเราเลร ว, ว่าคุ้นเคยว่าเป็นนั่งเอาจิตอย่างเดียวแล้วเป็นนั่งทรมานสังขารเป็นเวลายาวนานเลือดลงมันไม่วิ่งอันนั้นก็ต้องรับกรรมนะทาําตามข้อไม่ต้องทําหรอกมันไม่มเวลากันนั้นไอ้ยืนเดินนั่งนอนเนี่ย ตลอดชีวิตเราตื่นช้างมาเราก็เคลื่อนไหวอยู่แล้วนี่ยแหละอยู่กับมันเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เราทําเดินอยู่กับการเดินไม่ใช่เดินไปด้วยแล้วไปคิดอนาคตด้วยเปลี่ยนอานาจารสติแต่ถ้าเราอยู่กับมันได้เหมือนเราสะสมแต้มนะบางทีกว่าบ้า น, นเฉยๆเนี่ยสมว่าเรามีบา ร, รมี99แล้วแค่วินาทีนั้นเรารวมสมาธิรวมสติอยู่กับอยู่กับสิ่งที่เราทำเนี่ยเพิ่มอีกแค่หนึ่งปุ๊บระเบิดเลยบรรลุทําได้ทุกเวลา ถ้าเราอยู่ในอารมณ์นั้นตลอดนะอันนั้นเป็นการสะสมแต่การปฏิบัติธรรมพูดง่ายๆก็คืออยู่ปัจจุบันชีวิตเราไม่ค่อยอยู่ปัจจุบันยืนรอรถเมย์อยู่ก็ไปนึกถึงเมื่อวาน <c oughs> ไปคิดถึงอน า, นาคตไม่เห็นตัวเองยืนอยู่อันนี้รั่วละเหมือนเราเป่าลูกโป่งเป่าๆอะไรนะแฟมหมดแล้วก็มันเป่าไหม่ <c oughs> นะพอคิดปุ๊บรั่วเลยนะ ก็อยู่ปัจจุบันเวลาที่อ่านหนังสือหรือท่องคำศัพท์กับจำอะไรไม่ได้เลยลืมเร็วมากถ้าเราไมได้บัตเยอะๆเราไม่ได้ลืมแต่เราไม่ได้จำถ้าไม่อยากลืมมีอยางเดียวเนั้นคือไม่ต้องจำจำแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเบียงมันทิ้งอย่างไรเมื่อจิตมันฉลาดแล้วตอนนี้ไม่ต้องจำนะข้อมูลต่างๆมันมีคอมพิวเตอร์มันมีอะไรให้เราอยู่แล้วเนี่ย นะเราจับชีวิตเราใหม่นะพรากูขับรถไปที่พักปึ๊บอะไรก็ช่างพรากูต้องกุญแจไปแขวนที่มันเคยอยู่อย่าไปจำจัดระบบชีวิตเนี่ยให้มันมีระเบียบและไอีิต้องการจำเนี่ยมันมีเครื่องกดให้เรากดอยู่แล้วเนี่ยถ้าจำมันกลายเป็นขยะจำเก่งแค่ไหนนะมันก็ต้องลืมนะไม่อยากลืมคือไม่ต้องจำ ไม่อยากเสียเหลี่ยมคือไม่ต้องมีเหลี่ยมพอเหลี่ยมซ่อนไว้เขากลัวเขามาขโมยเหลี่ยมเราในทุกอยู่ตอนนั้นแหละนะเวี่ยง ม, มันทิ้งหมดนะเมื่อมันไม่มีเหลี่ยมมันจะเสียเหลี่ยมได้ยังไงนะไม่อยากลืมคือไม่ต้องจำต้องเปลี่ยนระบบชีวิตเราใหมานะ่เราคิดว่าเราจาแม่นไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ลืมนะยิ่งเราฝึกจิต น, นะเมื่อจิตมันฉลาดแล้ว มันไม่อยากจําอะไรเพราะมันเป็นขยะความรู้ถ้าตอนหลังปฏิบัติได้เคยขอผลบุญจากการปฏิบัติแบบระบุไปและเพิ่งรู้ว่าการระบุคือการผูกเราควรต้องทําอย่างไรครับกับคำขอที่ผ่านมาแล้วเวียนยิ้งนะไม่ต้องห่วงหรอกไม่มีใครแม้แต่หนคนไม่เคยสร้างกรรมมานะอย่าไปตอกย่้ำมาดี องคุริมาเนี่ยชาตสุดท้ายฆ่าคนมาเก้าร้ยเก้าสิบเก้ายังมันรู้ทําได้เราคงไม่เผลอไปทําชั่วขนาดนั้นนะที่ผ่านมาเราทําเพราะเราไม่รู้เนี่ยคนไม่รู้คือคนไม่ผิดแต่คนรู้แล้วยังไปทําอีกเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ผิดไม่ไม่ใช่ผิดเฉยๆแล้วโง่นะก็มันผ่านไปก็ยอมรับอดีตเป็นบทเรียนทําให้เราเห็นอนาคต หมุนเวียงไปเรื่อยๆทำไมถึงต้องร้องไห้ทําไมถึงต้องร้องไห้ทําไมถึงต้องหัวเราะชีวิตเราทําไมทําไมและก็ทําไม<ฟ>พระเจ้าตอบไม่ง่ายละ่ะเช่นนั้นเองเวลาดีใจมันก็แสดงถึงกความหัวเราะพอใจเวลาเสียใจมันก็แสดงถึงความไม่พอใจความทุกข์ก็คือร้องไห้มันเป็นอาการอย่างหนึ่ง มันเป็นสภาวะอารมณ์ อ, อย่างหนึง่งก็รู้เฉยๆเห็นไหมร้องไห้รู้ว่าเวลาร้องไห้บางทีร้องไห้เพราะปิตินะน้าตาไหลเลย ม, มีมีบางคนไปที่ศูนยน์นั่งยิ้มอยู่แต่ว่าร้องไห้ร้องไห้ไม่มีเสียงนะน้ําตาไหลแต่ยิ้มเนะเาะพอหมดเวลาแล้วไม่อยากหยุดเพราะอะไรรู้ไหมเห็นผู้พว้วยเจ้าไงเห็นผู้ด้วยเจ้ามาปิติมากร้องไห้ใหญ่เลย นะเคยได้ยินพรอครูบอกว่าผู้ใ ด, ดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาพุทเฮ้ยเราเห็นธรรมแล้วเราเห็นพระพุทธเจ้าแล้วนะแล้วมากร่าพ่อครูเนี่ยหนูไม่อยากออกมาเลยพระุทธเจ้าหายไปแล้วบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงลูกนั่นะเหมือนพะระพุทธลูกเลยบอกเคยเห็นเจ้าชายชิตาถาไหมร้องไห้อีกตอนนี้ร้องไห้เสียใจถึงันไม่กล้าเรียนพระพุทธเจ้าทีเรื่องอะไรนะศรัทธามากเลยเห็นไหม เราเห็นนี่ไม่จริงนะเห็นจริงๆเลยแต่สิ่งที่เราเห็นไม่มจริงนะ่ะมันเป็นอุปทานของจิตจิตมันสร้างอุปทานเพื่อมาสอบเราว่าเหวี่ยงจริงไหมเรื่องอะไรเหี่ยพุทธเจ้าจริงนะโดนหลอกล่ะพระพุทธเจ้าของเราพรุทธเจ้าของเขมรกับเวียดนามไม่เหมือนกันนะพุทธรูปปั้นออกมาไม่เหมือนกันเลยลนะ่ะตามอาลงของคนนั้นนะว่าที่เราไหว้พระพุทธรูปเนี่ยเป็นแค่สั ญ, ญลักษณ์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าจริงๆ ไหวเพื่อรำลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นนะผู้เบิกบานผู้ห่างไกลจกักเกลียเหมือนเป็นการเตือนสติเราให้เรามุ่งมั่นไม่ใช่ว่ายในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอนอนขอนี่นะผู้เจ้าไม่ได้สอนให้ขอสอนให้พึ่งตนเองบางทีเราไม่แข็งแรงเนี่ยเราก็ต้องมีอะไรเกาะ อ, อยู่เนาะเหมือนพระฉายาลักษณ์ของในดวงรัชการที่เก้าเลยเนี่ยเออเรากล่าวไหวพระองค์เพื่อรำละึกถึงแต่ว่าพราะฉายาลักษ์ไม่ใช่ เในหลวงเองนะเป็นสั ญ, ญลักษณ์เพื่อให้เราระลึกถึงคุณที่พระองค์สร้างมาแต่วไหว้พทุทธลู่ไม่ใช่ว่าเราหลวงงมงายพทุทธลู่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพระพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สนะิทธิ์เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้พระองค์ยิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะคำสอนพระองค์ถ้าเราทําจริงเราพ้นทุกข์ได้จริงจริงนะแล้กราบไหว้ในฐานะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ห่างไกลจากกิเลส น, นะผู้เห็นธรรมมาก่อน พระพุทธจึงแปลว่าผู้เห็นธรรมมาก่อนพระธรรมเนี่ยไม่ใช่คาสอนสอนพุทธเจ้าไอ้ตัวหนังสือไปท่องจํามาแปลถูกแปลผิดนิพผ่านเป็นอัตาอตาหน้าตาทะเลอะกานนั้นนะ่ะพระธรรมในที่นี้คือสิ่งที่ถูกเห็นพระธรรมตรงนี้เนี่ยมีอยู่คู่โลกคู่จั ก, กรวาลเป็นความจริงตามธรรมชาติมีก่อนเจ้าชายศรีษะจัเกิดอีกแต่เจ้าจะจับเมื่อประสูติแล้วนี่พระองค์ไปตัดสรุปธรรมคือไปเห็นความจริง ก็ส่วนที่เห็นความจริงแล้วก็เอามาบอกกล่าวเราเนี่ยไอ้ส่วนนั้นก็เป็นคําสอนเป็นรูปของภาษาแล้วพระธรรมธรรมะจริงๆไม่มีภาษาไม่มีศาสนาด้วยไม่มีวิชาการนะพระธรรมในพรตันตนาใจเนี่ยคือสิ่งที่ถูกเห็นพระสมฆ์คือผู้เห็นธรรมตามมาผู้เห็นทำหมายถึงจิต ด, ดวงนั้นน่ะเห็นธรรมเบื้องต้นคือโสดาปจิมาขึ้นไปจิตเห็นจิตคือมั้ นะโสดาปฏิมัคโสดาปฏิผลนี่คู่แรกสกิทาคามีมัคสกิทาคามีผลนี่คู่ที่สองอนาคามีมัคอนนาคามีผลคู่ที่สาอารหัตตมัคอารหัตผลคู่ที่สีสคู่แปดบุรุษเป็นสมควรแก่สักการะและบูชานี่คือพระอริยสง์ในพรระัตนตาไตไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายหรือสง จิตซึ่งเข้าถึงธรรมขั้นต่ำสุดโสดาปิมากขึ้นไปคือไม่มีนรกอีกแล้วเป็นพระอริยสงฆ์เป็นผู้เห็นธรรมตามมาส่วนภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทธี่เป็นผู้สแสวงธรรมตามมายังไม่เห็นธรรมเป็นแค่ภิกษุแต่สังคมไทยเราเนี่ยให้เกียรติเรียกพระหมดนะเรียกเรียกพระ คนจีนพระเขาเรียกว่าโ佛พิกษุเขาเรียกว่าเหอสางนะภาษาอังกฤษนะพร ะ, นะพระเขาเรียกว่าบูดานะพิกษุเขาเรียกว่ามงค์บ้านเรายุ่งเกยไปหมดนะถ้าเราไม่เข้าใจสิ่ง น, นี้ติดจะเป็นติดบวกนะมันจะเป็นหลงติดมันจะหลุดพ้นไม่ได้ มันร้องไห้ก็รู้ว่ามันร้องไห้มันหวั่นโลก็รู้ว่ามันร้องมัว่าโลกอย่าไปรู้ว่าทําไมนะมันมีเหตุของมันอยู่แล้วนะเราไม่ต้องไปวิจัยหรอกเสียเวลาวิจัยที่พ่อคูบอกว่ากวาดกวาดกวดห้องนี้ให้เม็ดนี้มันเปื้อนเพราะอะไรเราต้องรู้ที่มาที่มาของมันจะได้ป้องกันแล้วก็ไปเข้าห้องแล็บเออมันคือหมึกนะขึ้นป้ายห้ามเอาหมึกมาในห้องนี้พอถูกไปเห็นอีกเม็ดนึงเอาไปวิจัยนึกมันเป็นน้ำตาลห้ามน้ำตาลถามว่าวันนี้ตรงนี้จะสะอาดหรือเปล่า เรามีหน้าที่ทําให้มันสะอาดคือเอาความสกปรกออกความสะอาดก็สสแสดงตัวนะแต่ทีนี้ไอ้ความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยนะเราอยากรู้ทุกเรื่องก็ไปเสียเวลากับไ อ, อ้ตามหาคําตอบโดยต่างกาแล้วเนี่ยเราตายก่อนนะโดยเฉพาะคําสอนพระุทธเจา้าไม่ได้สอนให้เราเพิ่มเติมอะไรเลยนะนะสอนให้ลดละเลิกไม่ต้องเพิ่มแม้กระทั่งความรู้สอนสารอย่างคือทําดีละชั่วแล้วก็ขัดเกลาจิตให้ฟองใส ไม่ได้บอกให้เราเพิ่มเติมอะไรเลยวิจารเอาออกนะแต่ทั้งนี้วิชาการทั้งโลกก็ต้องเรียนรู้เยอะๆต้องต้องต้องต้องต้องรู้ก่อนสินะมันกลับไปกับเรื ine, saliva, els, ่องจิตวิญญาณรู้มากทุกมากรู้มากก็กลายเป็นขยะแล้วก็มานั่งเบี่ยงมันออกนั่งนั่งขัดเก่ามันเนี่ยนะคุณบ้าเดินข้างถนน กันที่อยู่โรงพยาบาลบ้าคือเขาจิตดุดลอยหรือไม่มีสติแบบนี้คือเขามีความสุขใช่ไหมน้อบ้าไม่เหมือนกันนะบ้าคนละอย่างบ้าหลายแบบเพราะว่าวิบากกรรมมาไม่เหมือนกันนะไม่มีแม้แต่หนึ่งคนไม่บ้าพอพูดตรงนี้หลายปีก่อนมีคณะรัฐมนตรีสาธารณสุข คนเก่านะเอยชื่อเขาได้ไม่ปไปเลยในแพทย์มงคล น, นะสง ข, ขายกคณนะทีมใหญ่ไปเยี่ยมพวกูพอพกูบรรยายเสร็จพวกเจ้าหน้าที่ของโลกจิตเป็นผู้ใหญ่แล้วถึงจะได้ตามมาชมนตรีเขาก็ยกมือถามว่าเห็นบอกฝึกจิตแล้วมีบางคนเกิดมีคนจริตแล้วตอนนี้ตอนนั้นก็มีนายแพทย์คนหนึ่งไม่ต้องเอยชื่อเขาเดี๋ยวนี้เขาถามอยู่น ก็ไปปฏิบัติธรรมสายไหนก็มีเรื่องจิ๊กเรื่องก๊อกฟ้องร้องกันอะไรนะพวก น, นี้นะพวกคุณนั่นแหละเอาแค่คนนั้นมาที่สุดแล้วจะหายบ้าถามว่ามีใครบ้างไม่บ้าชาวเขาเขาถือผีถือสางแล้วหาว่าพวกบ้าหลงงมงายแต่ชาวเราเนี่ยถือศัพท์ถือสีแยกกันถือลาก็สลดเสริญทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่บ้ามันบ้าตั้งแต่วันแรกเกิดมาก็แห่ปากล้องนั้นไง นี่วิธีจะให้มันหายหายบ้าไม่ใช่ไปกดความบ้าไว้คือมาเอาความบ้าออกนั่นแหละมันถึงจะหายบ้าไม่ใช่ไปกดมันไว้นะบ้าทุกคนบ้าคนละแบบเพราะเราสร้างกรรมมาไม่เหมือนกันเราหลงไม่เหมือนกันนะไอ้คนบ้าที่มันเดินอยู่ข้างหนมไม่มีประโยชน์อย่าไปทําร้ายมันมันยังใช้งี่กรรมไปอีกชาติเนี่ยมันก็เหมือนสัตว์ในเรือนทั่วไปนะมันดีกว่าคนบางคนที่บอกคนดีๆนะ ไ ม, ไม่พอใจในสิ่งที่ที่มีที่เป็นก็ไปทิดคิดจนตัวเองทุกข์เพราะอยากได้อะนะแล้วไปสร้างกรรมใหม่นะเขาบ้า น, นี่ยแต่เขาก็มีไม่มีโอกาสได้เจริญมรรคจิตนะแต่เขาก็ได้จ่ายหี้กรรมไป้าตนะิเขาก็มีประโยชน์แต่เขาไม่มีโอกาสฝึกจิตบาเพ็ญเพียรได้ทำไมกลางคืนถึงนอนไม่ค่อยหลับ ตื่นตื่นแบบนั้ถ้าเป็นช่วงที่เราปฏิบัตินี้ต่อเนื่องเนองเมื่อจิตมันตื่นแล้วยืนเดินนั่งนอนมันจะตื่นตลอดเวลาร่างกายเราพักผ่อนแต่จิตมันไม่ยอมหลับมันดําเนินของมันไปเรื่อยๆเพราะมันรอเวลานี้มาทั้งนานแล้วถ้าเกิดเราจะไปคิดอะไรเนี่ยเหมือนเราไม่ได้นอนแต่เราไม่เหนื่อยที่เราเหนื่อยเพราะเราไปกังวลทํำไมนอนไม่หลับปุ๊บานออกินไม่ได้เลยนะเป็นอุปท า, านถ้าคนเรามันเป็นเพีย้ยนบ่อยๆเนี่ยนะ มันง่วงเลยยังเอาไฟมาจี้นะโดดลงไปในน้ำตกให้มันอากาศเย็นให้มันตื่นนะมันไม่หลับก็ดีไงให้จิตมันดำเนินต่อไปเราคิดปุ๊บเราจะกะังวลนะ h i n k therefore I am ฉันคิดฉันถึงเป็นเราคิดอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นเห็นหจริงๆแล้วมันเป็นเพราะเรามีคนคิด I ไอแอ e เดลฟอ think ผู้เจ้าแกจทิงต้นเหตุทำรายอักตาั้งนี้ซะให้คนที่มันชอบคิด พ่อคูไม่ได้คิดมา28ปีหลายคนไม่เชื่อหรอกไม่คิดได้ยังไงเพราะเราไปคิดกลับนะถ้าเราไปคิดกลับพ่อกรูภาษาผู้ใจญพ่อครูไม่ได้คิดกลับนะนะมันเป็นความรู้สึกว่าถ้าเราย้อนหลังไปฟังเขาพูดว่าไม่คิดได้ยังไงนะแล้วก็ดูเออแล้วทำไมต้องคิดละ่ะทําไมต้องคิดละ่ะเหมือนตอนนี้เราปฏิบัติทําไมต้องเต้นละ่ะ เราถามคืนแล้วทําไมไม่ต้องเต้นอ่ะเห็นไหมเราเคยไปอินเดียนะเนี่ยญาติโยมก็ไปถามไอ้ไกลอินเดียทําไมหนังแข่งเนี่เต้นอยู่เรื่อยไอ้ไก่ผมก็ถามว่าแล้วทำไมไม่ต้องเต้นละ่ะพร า, ค, นะนะ า, ดดาค ร, นะครถาูถามว่าว ไ, มไมาก่ทําทไมรถที่นี่บีบแต่จังเลยมันบอกว่าแต่มีว่าให้บีบ <laughs> เห็นไหมเราความเคยชินเราไปนั่นเนี่ยแล้วทนั้นบีบแกไม่เคยโกรธเลยนะ มันแจ้งกิ้วด้วยคล้ายๆเกินสติหมืนบ้านเร า, เราลองบีบเกินสามครั้งสิฮเออะไรเกิดขึ้นแสงปุ๊บมึงแน่เหลอเนี่ยบางครั้งเราอาความเคยชินเราเนี่ยแล้วไปถามมันพระมันตอบมาเนี่ยเรางงเลยนะมันบอกว่าแต่มีว่าให้บีบแมไม่งั้นรถมันจะสร้างแต่ไว้ทําไมเห็นไหมแล้วบอกหนังอินงงดเดียทําไมลำ้ำล้ำอยู่ด้วยมันบอกว่าแล้วทำไมต้องไม่ล้ำละ่ะสนุกต่างหาก ปฏิบัติธรรมทำไมต้องไม่ทำไมต้องเต้นยิงลัมไง ล, ละ่ะแล้วถามคือแล้วทําไมาต้องไปนั่งเฉยๆละ่ะนะมีครูบาอาจารย์รูปหนึ่งเนี่ยสมัยก่อนอยู่เมืองจีนถูกเขาเชิญไปบรรยายธรรมท่านเข้าไปพูดบเนพระนั่งหลับตารอท่านอยู่ท่านด่าเลยนะโมจะมานั่งหลับตาทําไมทําไมไม่ ป, ปฏิบัติธรรมไอ้พวกนี้ก็งงก็กระ น, นั่งนั่งปฏิบัติธรรมอยู่เนะี่ยนั่นพระองค์นั้นกําลังปฏิบัติถูกนอนกวยเปอยู่ น, นั่นน่ยปฏิบัติธรรม ก็ททำหน้าที่วุ่แต่มานั่งหลับตายอยู่นี่เราถูกปลูกฝังว่าปฏิบัติธรต้องเป็นแบบนั้นแล้วก็เข้าใจต้องเป็นแบบนั้นนี่คือเจริญเนาะมันหลับไม่หลับช่างมันนะอยากไปนอนมากเลยเวลานอนเราอีกเจอะเตอนอยู่ในหลังดูฝังส น, นทั้งหมดเราไปคิดแล้วก็กังวลคิดแล้วก็ห่วงใหญ่คิดแล้วก็สงสัย นะแล้วกลายเป็นว่าชีวิตเราต้องคิดไม่คิดนี่กลายเป็นคนโง่ไอ้นี่คิดไม่เป็นคิดจนเป็นไมเกรนคิดจนปวดหั ว, วคิดอยู่ตรง น, นั้นแหละนะพ่อครูก็เคยผ่านคือธรรมะเขาจัดสรรให้พกก่อครูไปรู้โลกอย่างแจ่มแ จ, มแจม้งเลยแบบแรงๆเลยล่ะนล้วเร่ ง, <แ>เรงเรียกพี่ละ่ะพราะมันตีกลับมาปุ๊บไม่สงสัยอะไรเลยเพราะทำมาหมดแล้วไงเห็นไหมไม่ต้องคิดก็สบายดีไงต้งไปคิดทำไมให้มันปวดหัว เราไม่คิดไม่ได้เพราะว่าคิดเรีมันไม่ยอมมันอยากไงไม่มีเรื่องก็คิดให้มันมีเรื่องแล้วก็คิดแล้วก็นั่งร้องไห้คิดงูกโป่งอยู่เนี่ยเห็นไหมไม่อายคนอื่นก็ไม่อายไม่ก็อายตัวเองสิไหมแต่ตอนนั้นไม่อายแล้วเพราะว่ามันคิดไงเห็นไหมแต่ถ้าเราไม่ร้องไห้เราเป็นบ้านะถ้าเรานอนแล้วไม่ฝันบ้างเนี่เราเป็นบ้าหมดละมันเป็นขบวนการขับเอาออกของของของร่างกายนะมันดีลิสโซ ทำไมถึงตกใจง่ายหัวใจเต้นแรงเหมือนคนไม่มีสติแต่ก็รู้สึกตัวตลอดเวลาคนรู้สึกตัวนะคือคนมีสติหัวใจมันเต้นแรงไม่เกี่ยวกับว่าไม่มีสติที่เราเห็นมันเต้นแรงนั่นแหละคือสติตอนที่มันเต้นแร ง, แรงเนี่ยในช่วงที่เราปฏิบัติบ่อยๆเพราะจิตมันจะทิ้งหัวใจแล้วหัวใจมันสั่อยนะมันบอกว่า มึงอย่าทิ้งนะมึงจะขาดใจตายเลยนะพ่อกูบอกปล่อยมันตายเรามึงตายให้กู ด, ดูหน่อยอย่าไปรอให้มันตายนะเราตายก่อนมันนะเราหายใจเรากั้นลมหายใจเลยนะลองดูว่ามันจะกล้าอยู่กับเราฟังพระกูนะอันนี้ใช้ประโยชน์ได้เถอแต่อย่าอย่าไปฆ่าตัวเองตายจริงๆนะแค่กั้นลมหายใจอย่าให้มันหายใจนะอารมใดห น, นีหมดก ำ, ก, กำลังกูธกลังกลัวอยู่หายใจทุกตายเลย สัญชาตญาณมันกลัวตายนะมันลืมทุกอย่างเลยอารมณ์ต่างๆหายไปหมดนะอย่าไปรออย่าไปรอให้หัวใจมันหลอกเรานะอวันมันหัวใจมันเต้นแรงๆเต้นแรงๆแล้วยังไงเพราะเรากลัวว่ามันตายไหมเราตายก่อนมันเลยไม่ต้องให้มันเต้นกั้นเลยกั้นลมหายใจเลยดูเดี๋ยวอารมณ์นี้มันก็หายไปอันนี้เอาไปใช้อย่าถึงขั้นไปผูกคอตายนะแค่กั้นลมหายใจดูว่าอารมณ์นี้มันกล้าจะอยู่กับเราไหม ถ้าใช้สมองหรือคิดหมุนหรือสั่นจะเวียนหัวแต่ถ้าใช้ใจหมุนหรือสั่นจะสามารถสั่นหรือหมุนได้นานโดยไม่รู้ตัวเข้าใจถูกต้องไหมครับถูกต้องถ้าเราทําด้วยสมองแล้วเนี่ยมันจะมีการควบคุมการสั่งการจะไม่อิสระนะแต่ถ้าเราใช้จิตหมุนนะมันจะหมุนไปเองมันเลย เราอยู่กับจิตหุนเห็นไหมบางจีมันวางอุปทานต่างๆเราเป็นอมมาภาสเราลืมว่าเป็นอมมาธาตเนี่ยเราจะไม่เป็นอมมาภาสเราจะหายเลยทำบ่อยๆมันก็ลืมอุปทานตอนั้นว่าเราเป็นอมมาภาสและสุดท้ายมันจะหายได้ช่วงที่มันเอาออกไม่ได้พอมันเข้าไปในจิตมันมันดื่มมันเป็นมันก็ออกกายภาพบําบัดมันจะปรับสมดุลของร่างกายกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนอกจากว่าอมมาภาสซึ่ง เส้นเลี้ยงโดยเห็นฝอยมันขาดแล้วนะั้นเราเบียงให้มันต่อไม่ได้แต่อย่างน้อยก้ามเมื่อเส้นเอต็ต่างๆมันจะแข็งแรงขึ้นมาถ้ามันเป็นอมาาัอมาพาตอัมพฤกแต่ว่าเส้นเลือดฝอยที่มันไปนเลี้ยงสมองยังไม่ขาดนะฟื้นได้ร้อยเปอร์เนตเลือดลมมันจะวิง่งไอ้นี้ไม่สําคัญหรอกทางกายภาพสําคัญที่เรื่องอุปทานเราคิดอย่างไรเราก็เป็นอย่างนะั้นะเราคิดกลัวผีเราก็กลัวผีเห็น ไ, ไหม มีครั้งหนึ่งนักศึกษาปริญญาโทมาัยสารครามมาดูงานต้องฝังของครูบรรยายมีดอกเตอร์ ญ, ญี่ปุ่นคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอาจารย์อีกคนหนึ่งเป็นฝรั่งอีกคนหนึ่งเป็นคนไทยพาคณะนี้ไปดูงานครูบรรยายปุ๊หลังจากทุกคนกำลังเพลินอยู่ครูบอกงูงูตัวใหญ่มากเลยด็ อ, อร์ไทย มองตกใจนักเรียนไทยนะตกใจหมดเลยอ า, อาจารย์ญี่ปุ่นกับฝรั่งเขานั่งมันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมนี่เป็นอุปทานนะเพราะเอ า, เอาง่ายๆอย่างนี้มีคนสารคนนั่งอยู่ตรงนี้นะคนนึงเป็นชาวป่าเป็นทาสานอีกคนนึงเป็นชาวบ้านอีกคนนึงเป็นชาวเมืองนั่งคุยกันอยู่เด็กมันร้องว่างู ง, งูชาวเมืองอุเพงก่อน กูไม่พูดอะไรกูเผ่นเลยเห็นไหมไอ้ชาวบ้านก็เผ็นเหมือนกันวิ่งไปหาไหนอย่ไรอ้่างงูไปหาไมัคนวิ่งหนีก็ทุกข์นะเพราะกลัววัตถมันกับคนวิ่งใส่ก็ทุกข์เพราะกลัวตีมันไม่ได้เพราะอาหารจานโปดมีชาวป่ามานั่งเฉยเยเอ๊ะมนุษย์พวกนี้มึงกําลังทําอะไรมึงบ้าเลยวิ่งไปวิ่งมาเรื่องเดียวกันทําไมรู้สึกไม่เหมือนกันเพราะเราสร้างอุปทานมาไม่เหมือนกัน เห็นไหมชีวิตเราทุกบางอย่างทุกเพราะอุปทานนะเราก็สร้างอาคติขึ้นมาถ้าชอบฉันมีความสุขถ้าไม่ชอบฉัทนทุกอคติคือตัดสินใจโดยชอบกับไม่ชอบตัดสินใจเพราะกลัวตัดสินใจเพราะลงงูเหมือนกันทาไมคนหนึ่งวิ่งหนีคนนึ่งวิ่งใส่คนหนึ่งนั่งเฉยๆสามคนนี้ใครไม่ทุกถ้าสั่ไม่ทุก ที่เราทุกข์เป็นเพราะว่าไม่ใช่เราไม่รู้นะเป็นเพราะเรารู้ผิดคนที่รู้ว่างูกับตายเนี่ยก็กลัวมากคนที่รู้ว่างูมันอร่อยนีย่ก็กลัวมากกลัวจะตีมันไม่ได้ท้าสามันไม่ได้รู้ผิดมันไม่ได้รู้มันก็รู้ว่างูก็คืองูไงเป็นเพื่อนมันด้วยมันก็ไม่ได้ทุกข์นี่คืออุปทานนะถ้าปฏิบัติแล้วปวดขา ปวดเขาปวดหลังปวดก้นกบปวดแล้วก็ปวดปวดปวดปวดปวด <c oughs> ที่เรียกว่าทุกิริยาเราจะทำอย่างไรทำใจทำใจยอมรับมันซะเขาใช่ไงจริงๆแล้วถ้าเรายอมรับไม่ต้องทนนะนอกจากว่า เราไม่ยอมรับเราไม่อยากปวดอ่ะไม่ออยากปวก็ต้องอดทนอดนะทนก็มีขันติส่วนมากขันแตกก่อนเ <c oughs> นี่ยเราได้ฝึกขันติแล้วไงถ้ามันไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้มันสบายสบายเราจะไปขันติได้อย่างไงนี่คือขันติบารมีเลยนะที่บอกบางสายคขานั่งมันหนึ่งสิบกว่าชั่วโมงเพื่อให้มันเกิดเวทนาเลยแล้ว ก, ก็เอาเวทนานั้นแหละมาเป็นตัวฝึกขันติมีสติเรียนรู้เรื่องเวทนาในเวทนา อันนี้ไม่ต้องไงเราเต้นไปเต้นมาเดี๋ยวมันก็เหนื่อยเดี๋ยวมันก็เมื่อยเห็นไหมเราก็เอาความเหนื่อยความเมื่อยนะั้นอ่ะมันเป็นครูบาอาจารย์รู้เท่าทันมันสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นนะเมือ่อวานท่านหน้าก็ถามเพาครูสบายีเพราครูเป็นปกติทุกวันนะถึงจะสมว่าตอนนี้เป็นบาดอยูอ่อะไรเนี่ยก็เป็นปกติพวกครูไม่ไปทุกข์กับมันเราสบายตลอดนะ อาการเจ็บปวดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้น ล, ยลอยๆนะมันมีเหตุของมันอยู่นะเรายอมรับมันแต่ไม่ให้กำลังมันนะรู้เฉยๆอย่าไปใส่ใจอย่าไปตอกย้ำเจ็บๆเจ็บๆอยู่ตรงนั้นนะรู้เฉยๆเจ็บมันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกตินะมันเป็นเช่นนั้นเองนะสมัยนี้มีวิธี การโกงข้อสอบหลายดยังโดยรู้คำตอบล่วงหน้าพ่อครูจะมีวิธีรู้ได้อย่างไรว่าผู้ปฏิบัติไม่ได้โกงเช่นอาเจียนร้องไห้หรือและอื่นๆนะเพราะรู้ผลของการปฏิบัติจากบอกต่อต่อกันมานะอันนี้ก็อำถามว่ามันเป็นอุปทานหรือเปล่าที่ร้องไห้อาเจียนเนี่ย อันนี้ตอบง่ายๆนะก็ัะอย่างว่าเราขโมยข้อสอบเนี่ยเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเราทาแล้วเราจะได้ไงแล้ววันนี้เรามีเหตุผลอะไรเรามานั่งอาจเจีนร้องไห้เราแกล้งทา ท, ทำทำไมทาทำไมทาแล้วมันได้อะไรนะอันนี้อ น, นี้ก่อนนะะทีนี้ก็เป็นคำถามเหมือนฝรั่งที่มาถามพระคูอะ ก่อนจะมาอเมริกาเขาศึกษาประวัตพ่อครูพ่อครูสามชั่วโมงบรรลุธรรมแค่สามชั่วโมงเนี่ยนะประสบการณ์ของเราสามชั่วโมงเนี่ยเราศึกษาประวัติพ่อครูว่าพ่อครูพูดเองว่าสี่สิปีวิ่ไปตามโลกศีลห้า ก, ก็ไม่มีเลยนะแสดงว่าพ่อครูไม่รู้จักพระพุทธเจ้านะแต่พ่อครูทําไมรู้ว่าล้านจิตคนอื่นรู้นนท์รู้นี่นะพ่อค ร, รูลุกมาได้ยังไงเขาเขาจะเอาเหตุผลแบบตงตัด ถ้าประวัติศาสตร์พระกูจริงๆเอาประวัติพระกูตอนเล็กจนโตเนี่ยเอาประวัติตรงนี้มันไม่มีทางที่จะม า, ม า, ม, า, ม, ามาแสดงทำทุกวันนี้เลยหระนักเรียนเรียกพี่เนี่ยเราคิดจะเรื่องชาติเดียวนแล้วเขาก็บอกว่าพระกูระเบิดมุกเนี่ยเรื่องนับถือพระเจ้าทันทีเลยบูชาถวายชีวิตเน่ยเขายิ่งสงสัยเยใหญ่เลยพระกูก็บอกแล้วพระกูสิลห้าก็ไม่มีไม่รู้จักพระเจ้าพระกูถวายชีวิตยังไงเนี่ยมันมองเรื่องชาติเดียว เมื่อจิตมันเปิดแล้วมันรู้จากพระพุทธเจ้าไม่รู้มันกี่รอบนะเห็น ไ, ไหมปัญญาญานตรงนี้มม่ใช้เรื่องเกิดขึ้นชาติหนึ่งไปจําข้อสอบจําข้อไอ้คำํำสอนแล้วก็เอาตัวนี้เรียนตลอดชีวิตเลยมันก็รู้แค่นี้เมื่อจิตมันเปิดแล้วมันเป็นองค์ความรู้เก่าเขาเรียกว่ายานปัญญายกตัวอย่างเราเห็นเด็กทาการบ้านหนึ่งบวกสอง เท่ากับทำไมเรารู้อนาคตมันจะเขียนสารเราเป็นผารหารนีเรารู้อานาคตดูคนหนึงถือกระป๋องสีเข้ามาไปไหนรุงไปซื้อสีไปทำอะไรไปทาบ้านพอเราเหลือไปปุ๊บมันเขียนคำว่าไว้เราเห็นอนาคตบ้านดงสีอะไรแล้วทำไมเรารู้ล่วงหน้ า, นาเพราะเรามีข้อมูลเก่าใช่ไหมใช่ไหม ทุกวันนี้พรอครูบอกแล้วไงพรอครูไม่ปฏิเสธโลกนะพ่อครูว่าพ่อครูก็ปูดเปิดโทรศัพน์โทรศัพท์โทรทัพน์พรอครูใช้โทรศัพท์ไม่เป็นอะไรที่เกิดเกินสองปุ่มนะพ่อครูทําไม่เป็นหมดมันไม่เอาไงนะพรอครูเปิดปุ๊บเมื่อกี้ขึ้นไปนเปิดปุ๊บกําลังชกมวยอะไรมวยสมัยให ม, ม่ที่มันมีทุกอะไรทั้งเตะทั้งต่อยทั้งอะไรเอาหมดอ่ะเพราะเรา พวกกูก็นั่งดูดูอารมณ์ดูอารมณ์คนคนคนคนชกดูอารมณ์คนเชียร์อ่าพอเรากดไปช่องไอหนเจอช่องไหนพวกกูดูหมดนะดูดาราพวกก็ดูดาราเมื่อเรามีข้อมูลใหม่ตรงนี้ปุ๊บบวกกับข้อมูลเก่าเราจะรู้นะพวกะูพวกกูเข้าไปในใจเข้าใจทุกคนได้เข้าไปได้นะเพราะพวกกูเห็นใจทุกคนนะ แต่พวกคุไม่ตามใจนะมีทักษิณเรศมามันรู้โดยไม่ต้องผ่านการนึกคิดมันเป็นญาณทัศนะนะเมื่อเราทําอะไรเรามีประสบการณ์เยอะๆเห็นไหมนะพอเราชโชมวยบ่อยๆปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันก็เป็นประสบการณ์เราเนี่ยเห็นไหมลังพอเราไปสอนคนอื่นแล้วก็ประสบการณ์ตรง น, นั้นบอกวก่าถ้ามึงระวังอย่างนี้นะน ม, มันเป็นธรรมชาติแต่ที่นี่ประสบการณ์ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องชาติเดียว มันเป็นเรื่องหลายหลายหลายชาตนะิบางคนก็สงสัยพราะกูถามอะไรก็ตอบหมดมันไม่ผ่านมันไม่ได้ฐานจากข้อมูลชาตินี้นะเพราครูเคยในศูนย์เนี่ยโดยเฉพาะนักวิชาการเรากลัวมากนะยิ่งเป็นคุณหมอเป็นนักวิทยาศาสตร์อะไรเนี่ยยิ่งเป็นเลยพวกนักวิชาการเนี่ยกลัวมากว่าถ้าเชิญเข้ามาพูดไม่บอกล่วงหน้าเนี่ยเขาโกรธมากเห็นหมั้ย ต้องเชิญล่วงหน้าที่นี้เขาขะหาเตรียมข้อมูลเลยอะไรมีทั้งสไลด์มีอะไรๆนะถ้าเชิญมาเลยเนี่ยเขโกรธมากมันก็เขาไม่เกรียมตัวเขากวัจะภาษาบ้านเราตวรตกมาตายบอกวความจริงกูจะกลัวอะไรเพระกูเรียกมาเลยมาเลยเนี่ยไม่พอใจแต่ว่าประเมินเรื่องไม่พอใจกับเรื่องศรัทธาตัวนี้มากกว่าแต่ศรัทธามากกว่าก็โอเคครูบาอาจารย์เรียก ถ้าเขาถามอะไรเราไม่รู้เราบอกว่าไม่รู้นั่นคือความจริงอย่างยิ่งคุณจะไปกลัวทําไมความจริงพูดได้ทุกเมื่อแต่ว่านักวิชาการไม่ได้ไงถ้าบอกว่าฉันไม่รู้ปุ๊บแสดงว่าเธอคนไม่เก่งเรามีอุปทานตรงนี้ไงเราทุกกับไอ้เรื่องไม่มีสาระเพราะสังคมมันเป็นแผ่นี้ไงถ้าเรื่องไหนฉันไม่ชนานาญฉันไม่คุยด้วยฉันไม่เล่นเกมนี้เห็น ไ, ไหม ทังบ้านเมืองว่าต้องนิติรัฐนิติธรรมนะต้องเอากฎหมายเป็นที่ตั้งนะเนี่ยถ้า เ, าเอากฎหมายเป็นที่ตั้งไอ้คนเรียนรู้กฎหมายมันก็เป็นใหญ่ไงปฏิบัติธรรมก็เอาปริยัพเนาะปริยัพเป็นที่ตั้งนะต้องมายึดยึด พ, พระธรรมเป็นตั้ก็ถูกแล้วแต่ พ, พระธรรมเขาแปลว่าเป็นพระไตรปิฎกนะใครอ่านเยอะคนนั้นก็คนนั้นก็เป็นใหญ่ไงพระธรรมในที่นี้เนี่ยไม่ใช่พระไตรปิฎกไม่ใช่แค่คําสั่งสอนตรงนั้นนะ พระธรรมคือสิ่งที่ถูกเขียน ค, คือความจริงตามธรร ม, มชาติไม่มีตัวหนังสือด้วยแต่เราเรียนรู้ทุกวันนี้เป็นแขนงว่าเออชั้นชํานาญแขนง น, นี้ถ้าเชิญชันคุยเรื่องนี้ชันคุยถ้าคุยเรื่องอื่นเนี่ยไม่เอาเดี๋ยวฉันจะแพ้เรากลั ว, วที่จะแพ้แต่ถ้าคนเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยเรายอมแพ้คนเพื่อชนะกิเลสเราก็ดีแล้วไงยี่กว่าแพ้กิเลสเพื่อชนะคน เขาถามเราไม่รู้แล้วบกเราไม่รู้นั่นคือความจริงอย่างยิ่งเป็นความยิ่งใหญ่แล้วจะไปกลัวอะไรเราทุกทุกบางอย่างนี่เราเรามีอัตราตัวตนไงเราก็กลัวไปหมดนะนั่นแหละบางทีสงสัยมีปีหนึ่งน่ะก็คุณหมอเหมือนกันก็สนิทกันระดับหนึ่งบอกผมถามพ่อครูหน่อยหนึ่งได้ไมไม่ได้ต้องถามเยอะๆถามหน่อยหนึ่งโกรธนะ ในพ่อครูบอกว่าหยุดแล้วไงศูนจิตใจศูนสมองศูนบากท้องไม่มาศูนศูนย์ชีวิตพิษเด็ด อ, อะไรอะไรเขาไม่รู้น่ะเหออมือนบากว่ า, าตาขยิบไงนายบอกหยุดแล้วพอ่อกรูไม่เคยได้ยินคําถามนะี่นมันก็บอกว่าก็หยุดแล้วไงถึงทําไงถ้าไพ่อครูไม่หยุดทําเพื่อตัวเองแล้วจะเอาเวลาที่ไหนทําให้กับคนอื่นล่ะมันผิดไหมพรอครูตอบอย่างนี้ผิดไหม ก็เป็นความจริงไงก็มันเกิดขึ้นจากความจริงที่เราทําอยู่ไงไม่ต้องไม่ต้องไปจําเลยนะถามอะไรก็ตอบได้ว่าเป็นความจริงถ้าอันไหนพ่อคูบอกไม่รู้พ่อกุไม่รู้ก็เป็นความจริงไงจะไปกลัวอะไรคนไม่รู้คือคนไม่รู้ไม่ใช่คนโง่นะคนโง่คือคนรู้แล้วยังไปทําในสิ่งที่ผิดอ่ะคนโง่เนี่ยคนไม่รู้ก็คือคนไม่รู้ไม่ใช่คนโง่นะ ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วเนี่ยที่พ่อครูก็เมื่อกี้มีคาถามหนึ่งว่าในโลกสมัยใหม่เนี่ยเราควรจะใช้ชีวิตอย่างไรนะพ่อครูก็เกินเกินไปนิดหนึ่งตอนนี้ก็จะมารวมยอดว่าเราต้องอยู่กับโลกใบนี้อยู่กับสังคมแบบนี้มันดีมันช่วยยังไงชาตเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะถ้าถามพระครูนะถ้าใครมีโอกาส ยึดคำสอนของพุทธเจ้าได้น่ะสุดยอดหมดแต่บางครั้งมันต้องแปลบาลีเป็นไทยแปลไทยเป็นไทยยังทะลาะกันเลยนะนะก็คำสอนพิะเจ้าคือว่าเรามุ่งมั่นปฏิบัติเดี๋ยวเราเกิดปัญญาเราเองทีนี้เอาคำสอนเห็นเห็นในยุคเราเนี่ยนะนะเจ็ดสิบปีที่ผ่านมาฟังในหลวงราชการที่9ก้าบ้างนะพวกกูเป็นคนแรกๆนะพูดว่าในหลวงราการเป็นพระโพธิสัตว ถ้าจิตพระองค์ไม่ถึงขั้นนั้นนะพระองค์ทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกเจ็ดสิบปีเข้าใจั้ยตำแหน่งที่เป็นอยู่นะไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้เสพทุก อ, อย่างย่ ง, ยงก็มีใครว่าแล้วไม่ได้ทำงานตามหน้าที่เป็นข้าราชการเป็นอะไรทำหน้าที่เพ ร, กรเกษียณก็เลิกทำในหลวงทำถึงอายุแปดสบเก้าไม่มีกเกษียณอันนั้นทำจาก ข้างในพระองค์บอ ก, กออกมาจากข้างในเมื่อเราดาเนินทางจิตนี่เรารู้เลยว่าคืออะไรมันออกจากความเมตตาเป็นสำนึกข้างในนะมีเรื่องไหนบางที่ในหลวงเราไม่เหลียวแหลพระองค์มีลูกหลายคนคนนี้มาเจอปัญหาแห้งแล้งก็ทำฝนเทียงคนนี้น้ำท่วมก็ทำแก้มริลคนนี้ไม่มีสตัง ยากจนไม่มีเรียนก็เปิดโรงเรียนให้เรียนคนนี้เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นแพทย์เครื่องทีถ้าไม่ใช่โบวที่สัมที่ทำอย่างนี้ได้ไหมเราโชคดีมากที่มาเกิดในยุคทีนบังเอิญอายุพ่อครูก็เหมือนเทียบเท่ากับที่พระ อ, องค์คลองราดนั่นแนะหละะให้หลวขึ้นคลองราดปีนี้พ่อครูก็เกิดละก็เห็นมาตลอด เขาทาให้เห็นทําให้ดูอยู่ที่ว่าใครเห็นเห็นไหมพระอมค์เป็นสภาว่าไม่ต้องทําอะไรก็ได้แต่ว่าทําให้เห็นว่าการให้เนี่ยะเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องทําพระเจ้าก็สอนเหมือนกันเอาว่าในหลวงนี่แน่นอนหลักธรรมของของในหลวงทําขึ้นมามาจากพุทธธรรมอในหลวงแปลจากพุทธธรรมมากลายเป็น ภาษาธรรมดาเป็นธรรมะ ห, หมดนะเอา loss เล o เวเกนพหลังงงทุนนิยมว่าอธิบายสิไม่เข้าใจขาดทุนของเราคือกำไรของเราทุนนิยมไม่เข้าใจและพิสูจน์ยังไงดูไหมในหลวงสวรรคตสิบสามตุลามาตอนนี้สนามหลวงยังว่างไหมเห็นหรือยางกำไรไหม จากไปแล้วผู้คนยังต้องอะไรอยู่ตรงนี้เนเพราะสิ่งที่พระองค์ทำบางคนตายวันหนึ่งเนี่ยเขาเขาก็ลืมไนปะเหน็นั้ยนี่ขาดทุนที่กำไรพระองค์เปินออกมาไม่ใช่ชีวิตชาติเดียวมันเป็นเรื่องของชีวิตในวัาตะสงสารเลยเพวกคูเห็นไงเห็นมาทั้งหลายปีแล้วนะนั่นแหละฟัง ในหลวงชี้ทางให้เนี่ยเป็นภาษาง่ายๆคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงทําไมพระองค์เน้นเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆแล้วมันหมายถึงชีวิตพอเพียงไม่เกี่ยวกัเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวบังเอิญว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยเอาเศรษฐกิจเป็นที่ตั้งเศรษฐกิจนะเศรษฐศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจแล้วมีเศรษฐกิจสังคมการเมืองไงสังคมก็เพื่อเศรษฐกิจเป็นสังคมอยู่ได้ต้องพึ่งเศรษฐกิจถ้าไม่มีเศรษฐกิจ ตายทุกการเมืองก็เพื่อเศรษฐกิจเราก็เลยมีเชิญเศรษฐกิจเป็นพระเจ้าพวกครูมีโรงเรียนสองแห่งเคยมีผู้ตรวจการไปพวกเชิญมาพวกครูขอแลกเปลี่ยนอา่าทำไมเราต้องบังคับให้เด็กเคารพตรงชาติทุกวันประเสธไทยให้รวมเดินเลือชาติเชื้อไทย mm. เพื่ออะไรเขาบอกว่าเป้าหมายก็คือชาติศาสนาพระมหาถูกแล้วแต่ตอนนี้เราเอาชาติไปจำนองเพื่อรักษา ระบบทุนนิยมเรามาหลงวัตถุนิยมบริโภคนิยมจนลืมพระศาสนาเราบ้าประชาธี่พอใแบบข้อหลังเลือกตั้งที่ไหนก็ทะเลาะ ก, กันจนลืมพระมห า, ากษัตริย์เรากล้าเปลี่ยนรงชาติให้กลายเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือไม่สังคมปากว่าตาขยิกมันไม่สําเร็จรการศึกษาก็ตั้งโจทย์เลยทุนธธรรมเออความรู้คู่คุณ ธ, ธรรมแล้วตอนนี้เปลี่ยนใหม่คุณธรรมนำความรู้แสดงว่าเอาคุณธรรมเนี่ย สำคัญกว่าความรู้แล้ววิชาไหนบ้างสอนให้มีคุณลักษณะอันนี้เคยถามรัฐมนตรตีนะในอนดีตนะถูกพวกกูถูกหลอกให้มารับรางวัลอะไรอะไรเข้าเฝ้าประเทศไม่มาตอนนั้นมันเป็นเรื่องเขาจะเสียหายพวกกูไม่อยากออกมาเราไม่ได้ทําเพื่ออะไรทั้นั้นเขาก็เชิญไปบรรยายที่โรงแรมเอเชียหลายปีก่อนนะพวกนักบริหารการศึกษาคนนั้นอยู่นั่งอย่างนั้นนะ อ, อ่ะอออดีตรัฐมนตรีช่วยมไม่ต้องเปิดชื่อท่านจะได้เป็นด็เตอรคนนะ เพราะครูบรรยายเพราะครูขอแลกเปลีนน่ยนไปลยนะไอ้ที่ว่าคุณธรรมนาความรู้นะ่ะวิชาไหนบ้างสอนให้มีคุณธรรมมีไหมวิชาศาสนาก็ไปซ่อนอยู่ในสังคมนิดหนึ่งไปท่องจําศีลห้ามีอะไรแค่นี้นะมันทําให้มีคุณธรรมจริงไหมมิตรสอนวิชาอวดเก่งกันที่นี้พ่ะครูก็บอกว่ารถไฟเนี่ยมันลางคู่ใช่ไหมกระดาษมันมีล้างคู่ทําไมมันถึงตกหลานเพราะน้ําน้อยย่อมแพ้ไฟ ครูสอนภาษาอังกฤษมันต้องมีโคธรรมคุณธรรมก็ได้สอนวิชาไม่ต้องมีคุณธรรมก็ได้มไมคุณธรรมเป็นอาจารย์สอนจะเรียกทาฝ่ายเดียวกิเลมันไม่ชอบคุณธรรมอยู่แล้วมันชอบเอาวิชาการเก่งๆเอาเปนคนอื่นมันน้ําน้อยต้องแพร่ไปอดีตรองแปกระสมวงมถามว่าแล้วพวกคูจะให้ทํำยังไงไม่ใช่คุณธรรมก็เป็นเรื่องของอาจารย์สอนจะเรียกทำวิชาการก็นี่วิชาการมันมากกว่าเนะพราะคูบอก ทุกความรู้ต้องแฝงด้วยคุณธรรมไม่แยกแบบนี้ไม่ได้โอ้ยชอบมากดีมากนะก็ลังจะทําอะไรการเมืองก็เปลี่ยนแล้วก็แล้วก็แล้วก็เกษียณไลเพราะควรรู้แล้วอยู่ที่นู่นคือการปกครองแบบบ้านเราคล้ายๆว่ากว่าจะไต่เต้าถึงตําแหน่งที่มีอํานาจปุ๊บหนีที่ไม่กล้าทําอะไรแล้วปกครองตัวดเดีวยวจะไม่มีมรดกต่อเ น, นืคนจนเป็นเหยื่อ พราะครูถึงเปิดโรงเรียแต่เราก็ทําได้แค่นั้นอ่ะไม่ทําตามเขาบ้างเดี๋ยวเขาก็ปิดโรงเรียนคนจนก็ไม่มีโอกาสอีกนะเอาเป็นพราะคูพูดดังๆนั่นเป็นไรวิชาการที่ศูน น, นั้นแก้สอนเฉยๆแก้สอนบอกคูมันแกล้สอนไปเถอะอย่าง น, น, น้อยเด็กเราต้องปลอดภยัยสอนให้มันฝ่ายเรียนรู้มีคนรับผิดชอบตัวเองกับสังคมคำขวัญขอโรงเรียนเราเป็นยังไงรู้ไหม ให้เด็กไฝ่เรียนรู้รู้อะไรรู้ผิดชอบชั่วดีรู้บากคุณคุณโทษรู้รับผิดชอบตัวเองกับสังคมนั่นคือความรู้ไอวิชาการบ้าบ้าบาบาเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือเนี่ยมาประเมินให้มันขยันรับผิดชอบตอนนั้นเองไปท่องจำมหนึ่งเสร็จแล้วสอบเสร็จปึ๊บปีหน้าไปท่องกจรมอสองไอที่ท่องจำมันที่ผ่านมาไม่ได้ใช้เลยถ้าเด็กเขามีคุณธรรม เขมีความรับผิดชอบแล้วเขาไปทําอะไรก็สําเร็จทุกวันนี้ความรู้ไม่ต้องสอนนะสอนให้เข้าฝ่ายเรียนรู้ตอนนี้เด็กมันฝ่ายเรียนรู้ไม่ต้องการรู้แล้วเป็นกฎที่ น, นึงเนี่เดี๋ยวเอากูบอกเราดีใช่ไหมถามากูรู้เรื่องหมดเลทุกอย่างนะครูมันจะเก่งกว่าอากูบอกความรู้ตัว น, นั้นไม่ต้องเรียนตอนนี้เข้าห้องสอบเนี่ให้เด็กนอะาคอมพิวเตอร์เข้าไปด้วยเอาอากูเข้าไปด้วยไม่ใช่มีอากูแล้วเนี่ยมันจะฉลาดถามอากูเป็นนะถ้ามันไม่ฝ่ายเรียนรู้ ตอนนี้เราสอนให้เด็กเราเป็นเหยื่อไปแค่ไปท่องจําความรู้ของคนอื่นนะเก่งที่สุดนะก็เท่ากับคนเจ้าของตําราเท่านั้นเองเด็กเราไม่ได้ไม่ได้ความไม่มีเวลาคิดเลยนี k k ่คือความล้มเร็วผู้ใหญ่สร้างสังคมเร็วๆให้เด็กมันอยู่เพราะกูไม่ททษเด็กเนื่องจากพ่อคูเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งพ่อครูก็ทําหน้าที่พ่อคูเท่าที่ทําได้อยู่ในชุมชนเ้็กๆนั่นแหละ ยุคนี้เนี่ยเรียนรู้เงเศรษฐกิจพอเพียงหน่อยหนึ่งไม่ได้แกล้งจนนะเราต้องมีส่วนเกินเพื่อจะแบ่งปันนั่นล่ะคือเศรษฐกิจพอเพียงมีเพียงพอเพื่อจะแบ่งปันเราก็ได้ทําหน้าที่เหมือนในหลวงธรรมแล้วก็ผู้นิจจาทําคือทานศีลภาวนาเราต้องมีเหลือเฟือเพื่อให้ทานแต่ไม่ใช่เป็นรูปไป็รอรวยก่อนนะถึงถึงจะมาให้อันนั้นบางทีตายก่อน ทุกวันนี้เมืองไทยคนรวยเยอะมากแต่เศรษฐีไม่ค่อยมีไม่มีเศษส่วนเกินที่จะแ บ, บ่งปันนะแล้วอบรมเศรษฐกิจพอเพียงเร็วๆนี้เนะี่ยเห็นไม้มพวกกูก็บอกในายหารเขาบอกว่าไม่ใช่มาช่วยให้คนจนมันรวยขึ้นอันนั้นฝันกลางวันอี ก, อกชาติก็ไม่ได้นะต้องให้คนรวยมีสำนึกนะพอเพียงยึดรวยซะแต่ไม่ใช่ไม่ให้คนรวยนะ คุณต้องรู้จักแบ่งปันแชร์ริ่งมันเป็นทางเดียวที่จะแก้ปัญหาสังคมเหลื่อมล้ำไอ้นี่ยิ่งไปเจริญเจริญเจริญนะไอ้คนรวยมัยิ่งห่างไปยิ่งรวยขึ้นไอ้จนก็ยิ่งไม่มีจะกินนะบางทีเราเจอปัญหาอย่างหนึ่งแต่เราไปทําอีกแบบหนึ่งมันเป็นสังคมที่ปากว่าตาขยิบแต่มันมันไม่ใช่ง่ายนะ เพราะว่าคนรวยมหาเศรษฐีนั้นไม่ใช่เขาผิดเขาเรียนทุนนิยมเมื่อไรเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาใด้ทุนยิ่งมากเขาไปยิ่งสําเ็จนี่คือความเก่งของเขาแต่ในแง่สังคมองค์รวมแล้วเนี่ยเราจะปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้เดี๋ยวมันจะเกิดวิกฤตเพราะทรัพยากรธรรมชาติมีจํากัด น, นะนะจะช่วยเหลือให้สังคมมันสมดุลเนี่ยคนรวยต้องหยุดรวยซะไม่ใช่ไปแก้ที่ให้คนรูปให้คนจนรวยขึ้นต้องแก้ผิดละ โอเนะก็เลือเวลานิดหนึ่งพ่อครูก็มีของเล่นนิดหนึ่ง นีขวดน้ำหนึ่งนะอันนี้เหมือนชีวิตเราถังเศรษฐกิจของเรานะผู้รครูพู้ครูมีลูกดอกอากยาพิษมาห้าดอกนะพอดึงออกมาดอกแรกเนี่ย เเรียกว่าแฟชั่นดอกที่สองเนี่ยอันนี้ยังไปทางผู้ชายหน่อยหนึ่งเล่าดอกที่สามเนี่ย ดอกที่สี่เนี่ยบุหรี่ยาเสพติดดอกที่ห้าเนี่ยหนี้สินหนี้รวม ย, ย่อยเราดูเหมือนก็ไม่มีอะไรแล้วก็ทำอย่างนี้ทุกวัน เทไปเทไปเทไปเทไปถามว่าชาตินี้มันจะเต็มไหม<ะ>ไม่มีเต็มใช่ัหยเพราะมันมีรูรู้หรอกกวางว า, า, ง า, า, ง า, างนพอครับที่แก่ยังไง ดูรั่วนี่ทำได้ทันทีเลยไม่ต้องขอวีซ่าไม่ต้องขออนุ ญ, ญาตใครถ้าคนรักตัวเองจริงๆอูดรั่วแล้ววันหนึ่งเราก็เทมากินนิดหนึ่งกนิดหนึ่งล้วก็ทํางานแค่นิดหนึ่งมันก็เต็มไม่ต้องกระเสือกกระสนแต่ตอนนี้เราทําให้ชีวิตเรามีรูรั่วเราก็กระเสือกกระสนหาเงินมากขึ้นมากขึ้นทุนนิยมมันปรุงแต่งให้เราในแก้ปัญหาโดยต้องถามากขึ้น นะต้องซื้อรุ่นใหม่ถึงจะมีความรู้สึกมั่นคงพราครูเคยได้ยินการโฆษณารถยี่ห้อหนึ่งแพงๆนะบอกว่าเออนะก็คือว่าเอาโฉนดที่ไม่ทําไมไม่ไมีประโยชน์นะเอามะนาวเป็นรถถังนี้ดีกว่านะแล้วมีแอร์ยี่ห้อหนึ่งเขาบอกอยู่เย็นเป็นสูงติดแอร์สบายๆเขาโฆษณาชวนเชื่อเราก็เอาเงินอนาคตมาใช้ล้วก็กระเสือกกระสนต้องหาเงินเพิ่มขึ้นเพื่อ เขาเรียกว่าอัพเกรตัวเองเรื่อยๆนะพออัพขึ้นมาตึกสิบชั้นเห็นมันร้อยชั้นต้องอัพอีกขึ้นเดี๋ยวสู้มันไม่ได้ชีวิตเราต้องกระเสือกกระสนเป็นทาสมาส่งเสริมให้ในายทุนเขารวยขึ้นเพราะกูเนี่ยนายทุนข้านชาติมาแล้วนะเขาไม่ได้ถูกหรือผิดเขาเรียนมาอย่างนั้นนะเขาเรียนวิธีสร้างทุนของเขาแต่เขาไม่เอาชีวิตเขาเองก็ทุกเพราะว่าเขาก็สู้กับนายทุนด้วยกัน นะตอนนี้จีเจ็ดจปในโลกนี้นะเหมือนอะไรนะถ้าเร า, เราเคยไปลัส่วยกันเอา้ายุ่งเงใกล้ๆเนี่มหมาเกาเนี่เล่นการพนันนะเห็นไหมอันนี้ก็สร้างกางรพนันใหญ่ๆเลยจีเจ็ดจแล้วก็ตกแต่งมีสิ่งเล้าใจทั้งแจกทั้งแถมเห็นไหมสมัยก่อนพวกคูค้าไต้หวันนะขากลับพ่อคูจะแวะฮ่องกงทุกครั้งลนะไปหมาเกาพ่อคูไม่ได้จิตการพนันนะ แต่พวกูเล่นมันเที่ยวนี้ค่าใช้จ่ายหมดไปห้าพันเหรียญยูเอสดอลลาร์เราเงินสดไปมันให้เราเล่นไหมไม่เราต้องไปแลกเป็นชิปของมันต้องไปเล่นเกมมันพอแลกเป็นชิปปุ๊บชิปมันเต็มโกดังเลยเราจะสู้มันได้ไหมไม่มีทางนะเล่นเกมนะทีนี้พวกกูก็แทงสูงห้าพันเลยได้กินพวกพวกูก็เลิกเลย ถ้ามันตินปุ๊บกูใส่เหมื่นึืงเลยเราต้องมีเงินสำรองเยอะเพราะกูต้องการแค่ห้าพันเป็นค่าใช้จ่ายมันไม่เคยได้งเงิน พ, พ่อคูเลยแต่ พ, พ่อกูไม่ร่ลยบางคนแทงอุย้ยดวงดีเนี่ยใสมันหมดเลยแล้วก็หมดจริงๆไม่มีทางแก้ตัวเราจะสู้มันได้เหรอชีพมันเต็มกว่าดังนี่คือเกมมันแล้วมันเองก็หล่อกุ่งห้อยปูปลายไปเร่อแล้วมันก็ต้องแข่งกับในทุนใหญ่เหมือนกัน เงินเรามาหมดทุ๊บก็ต้องตกแต่งให้มันมามากขึ้นมันก็เอาเงินของโลกเนี่ไปใส่กับวัตถุตอนนี้ทุกประเทศเป็นหนี้หมดอเมริกาเป็นหนี้มากที่สุดในโลกไม่มีเศรษฐีตัวจริงสักคนและบุคคลก็เป็นหนี้เครดิตการเป็นหนี้หมดเพราะว่าทุนนิยมเขาไม่เชื่อคนมีเงนินเขาเชื่อคนเป็นหนี้ถึงจะมีเครดิตเครดิตลายไงเพราะครูไปเรียนรู้อเมริกานะเพราะครู ด, ดื้อมาก หลังจากไปเยี่ยมคุณแม่แค่ขอร้องไม่ให้กลับมาเล่นการเมืองรุย่ยจั่วทิ้งมาเลยโอเคพวกปูกไปเที่ยวปีหนึ่งศึกษาว่าอเมริกาคืออะไรนะโอ้ปลาใหญ่เป็นปลาเล็กถ้าเราเป็นปลาใหญ่ไม่ได้เราจะไม่เป็นปลาเล็กให้มันกินพราะู่ขอเครดิต ก, การไปแล้วไม่มีประวัติเงิเด้งมาหมดมันไม่ยอมให้นะแล้วเราต้ศึกษาแล้วโอเคไม่เป็นไรแล้วเอาเงิน1นึ่งแสนเหรียญไปฝากธนาคาร ขอเองมันเด้มาหมดให้มันไม่เชื่อคนมีเงินไม่เป็นไรแล้วก็เอาเงินเราเนี่ยกู้กู้เราเองการันตีนะแล้วก็เอาเงินอันนี้เปิดสามธนาคารมันบอกจ่ายมันเป็นรายเดือนสิ้นเดือนจ่ายไม่ต้องรอสิ้นเดือนวันที่สิ้าจ่ายหมดอันนี้ก็ a อออจ่ายสามเดือนทริปโเอหมดเลยทีนี้สนุกละขออะไรไปมันให้มาหมดเลยซิวเวอร์รดอกไอ้ a, a, a, a, บาททองในซื้อเรือยนตก็ได้ มาปุ๊บพเพราะคุณตัดทิ้งคืนมันไปเลยพเพราะคุณไม่เล่นเกมมันแต่ยงอเมรการต้องใช้ใบเพราะว่าคุณเดินทางมันไม่เอาเงินสดเลยเป็นเป็นพักโรงแรมเราใช้พอถึงวัน อ, ออกจากนั่นเป็นเพราะปุ๊บมันคิดเป็นเงินปุ๊บเพราะคุณจ่ายเงินสดพราคุณไม่เคยเล่นเกมมันเลยนี่คือทุนนิยม เรียน c h o กูใช่ไหมเออกำลังปีสุดท้ายนะ่าจะเข้ามหาลัยมันส่งเครดิตการ์ดมาเลยปุ๊บให้เครดิตสองพันทุกคนเป็นเดือหมดโอ้มันรูดคัพมันมันง่ายไงเวลารูดมันง่ายไงแต่เวลาจ่ายมันไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่เป็นหนี้กันทวนหน้าทั่วโลกในแง่ประเทศทุกประเทศไปทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้ทุกบริษาัททั้งร้านไม่นท้งเจ้าหนี้ลูกหนี้ อเมริกาเศรษฐกิจสังคมการเมืองอันดับหนึ่งของโลกเป็นหนี้มากที่สุดในโลกตอนนี้สงครามล้างหนี้กำลังจะเกิดขึ้นกำลังหาเรื่องอยู่ออหาเรื่องซีเรียหาเรื่องนุน่นแล้วก็มาหาเรื่องเกาหลีนี่พ่อจุดชนวนสงครามมีทางเดียวเท่านั้นที่มันจะล้างหนี้ได้มันกาลังจะเกิดขึ้นเราหลงตัวแล้วถึงจะไม่หลวงตัวก็ช่างถามว่าเกมนี้มันแก้ปัญหารัรเสเซียชาติได้ไหมจบแล้ว ยิ่งมายิ่งเหลื่อมลังยิ่งมายิ่งปัญหาเยอะเห็นไหมความคิดแบบนี้ล้มละลายแล้ล้มสลายแล้วอยู่ที่ว่าอะไรจะล้มมันยุคล่านานิคมเนี่ยล้มไปแล้วคนกลุ่มหนึ่งเชื่อว่ามียนาคมนี้เยอะอ่ะนี่ยคนมีเงินเด่นจะมั่นคงล่าไปล่ามาผู้ล่าก็ทุกผู้ถูกกลาดก็ทุกไอ้เหตุนั้นล้มสลายยุคค้าขายเสรีใครค่าค้าค้าใครค่าขายขายขายทุกอย่างที่ขวางนะเอามันมาเป็นสินค้าลูกค้าท่าน มนุษย์ไม่ใช่สัตว์สิ่งของถูกแรงต้านต่างคนต่างทุกไอเดียนั้นร่มสลายยุคเรานั่งอยู่ที่นี่อายุเท่าไหร่กับช่างเรารุ่นเดียวกันนะยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองผู้ชนะสงครามตั้งโจมโลกทุนนิยมแข่งขันเสีีโดยมีวัตถุเป็นตัวแข่งขันและอเมริกาเป็นประเทศเดียวที่พิมพ์งเงินดอลลาร์ไม่ต้องมีเงินทองคำประกันเพราะเขาชนะสงครามและก็เป็นประเทศเดียวที่ริคสิบบัตรเครดิตการมีของเขาคนเดียว จะเป็นอเมริกันอสเีสดีวีีซ่ามันจะกาดไดเนอร์คับของเขาคนเดียวเขาไม่ต้องใช้เงินนะพลาสติกเขาไปเดียวใช้ได้ทั่วโลกเราดูดปึ๊บแบ่งเปอร์เซ็นต์ขนาดมันเอาขนาดนี้แล้วมันก็ยังจะไปไม่รอดแล้วเราจะเดินตามใครนะผู้เจ้าบอกอัตเนีอัตโนานาถูตนแหละจะ่จมพิทพึ่งแห่งตนนะกลับมามองตัวเอง โลกแตกเราก็ตายโลกไม่แตกเราก็ตายเราตายแน่ๆสําคัญที่ตายดีหรือตายชั่วเท่านั้นเองตายแตบบ่ันยิ้มได้น้อเนา ะ, นะคนไม่ประมาทในหลวงราชการที่๙คาสุดท้ายพระบรมก็บอกอย่าประมาทชีวิตไม่ใช่สุขอย่างเดียวมีทุกข์ด้วยต้องเตรียมความพร้อมอย่าประมาทพระราชมนีปีใหม่ปี๕๙ครั้งสุดท้ายพขบถุเจ้าก็ครั้งสุดท้ายใจจากเราไปเขาบอกว่าอย่าประมาท มันไม่เที่ยงนะเหมือนกันนะจบที่อยากประมาทเราถึงที่สูนย์บรานคอยเตรียมตัวตายทุกวันนะแล้วเผามาหลายศพแล้วศพที่นูน่นนะถ้าศพไม่สวยพร่อปู่ไม่เผาให้สแสดงว่าที่ผ่านมาไม่ตั้งใจปฏิบัติเขาออกมาทั้งหมดอย่างน้นอยๆมันก็จะขาวๆนะหมอยว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อนะไรเราต้องตายแบบยิ้มได้ นั่นแหละคือเราไม่ประมาณอันนี้คือความจริงนะคุณอยากก็ช่างไม่อยากช่างคุณตายแน่แเมื่อเรารู้แล้วทําเราเราเตรียมตัวตายไหมนะคุณหมอคนหนึ่งเนี่ยหลายปีก่อนขับมาที่ศูนย์เนี่ยลงจากรถปุ๊บเนี่ยหน้าบูดบึ้งมาเหมือนอาลงไม่ดีเลยภรรยามาปฏิบัติที่ศูนย์ไงทางก็เข้าไปยากๆทำไมต้องไกลขนาดที่ปฏิบัติที่ไหนก็ได้ใช่ไหมต้องไปถามอีกคนหนึ่งที่ว่าไหนคนไหนเป็นครูบาอาจารย์อยากจะถามหน่อย เขาก็จงแงขนหมาก็คุกเขาบอกขอโทษนะผมเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ไม่เป็นไรคุณหมอแลกเปลี่ยนนะอย่ามีที่จีมันนะเขาก็ตั้งโจทย์เลยทำไมต้องปฏิบัติธรรมถามท่านเขาตอบท่านเขาเพื่อพ้นทุกข์ไงผมไม่ทุกข์ผมพอใจในสิ่งที่ผมมีตอนนั้นเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล น, นะยังไม่ได้เป็นผู้อำนวยการเนี่ยผมมีลูกมีเมียมีรถสองคันมีตําแหน่งหน้าที่ผมพอใจแค่นี้ผมไม่ทุกข์คุณหมอจะไม่แก่ใช่ไหม คุณหมอจะหนุ่มอย่างนี้ตลอดใช่ไหมแล้วคุณหมอจะไม่เจ็บใช่เป็นหมอเจ็บไม่เป็นใช่ไหมแล้วก็ไม่ตายด้วยใช่ไหมเขาก็นั่งอึ้งอยู่ใช่ไหมคุณหมอรักลูกเมียรักรักรักประเภทไหนมีทหาเงินหาเงินเวลาตายแล้วมีเงินซื้อลงศ重ปล่อยให้ลูกเมียจะรับมานั่งร้องไห้ทําไมรักแบบนี้เหรอกาบพ่อคู่เลยพราปฏิบัติแล้วทีนี้ก็เล่าให้ฟังเนี่ยจริงๆตอนนี้สนิทกันแล้วเยี่ยมพ่อครูทุกวันตอนนั้นมันทุกข์มันไม่เห็นทุกข์กัน เพราะอยากได้ตื่นเช้ามาชั่วโมงเปิดคีเปิดคีนิดก็เอานะตอนสายก็ไปทํางานโรงพยาบาลเที่ยงกินข้าวแล้วดนเปิดคีหนึงน่งชั่วโมงหนึ่งก็เอาบ่ายก็มาทํางานโรงพยาบาลเย็นก็เปิดคีนิดไม่ให้มันรวยรู้ไปเพราะไม่มีเวลาใช้เงินแล้วทะเลาะกับเมียทุกวันเพราะมันเหนื่อยเห็นไหมตอนนั้นแกไม่เห็นนะ่ะทุกแต่ไม่เห็นทุกเนะลยหลังจากปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาบอกชีวิตเขาดีขึ้นแกเขียนบันทึกว่าแกรู้จากคําว่าชีวิตที่ศูนพลานคอย เนี่ยผู้ด้อยโอกาสเนี่ยก็จะไปคิดว่าเรารู้นะแล้วก็รู้ส่วนที่เรารู้ก็รู้สิเรารู้วิชาการเรื่องหนึ่งแต่เรารู้ชีวิตจริงๆไหมนะทุกคนหาคําตอบไม่ได้นะว่าเราเป็นใครกันแน่ไอ้ความสุขที่เราสแสวงหาทุกวันนี้มันคืออะไรกันแน่รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรอย่าลืมนะเป็นหนี้พ่อคูนะวันไหนก็ได้เมฆไว้พรอคูว่าวาดตัวความสุขให้พ่อคูดูหน่อยกนะ็มีกี่แขนกี่ขามันแต่งชุดสีอะไรนะ ถือว่าเมตตาพ่อครูก็แล้วกันเนาะพกก่อครูตามหาล่ามันแล้วพ่อคูก็ไม่เคยเจอมันสักทีหนึ่ ง, น, งนะทูเขาสอนนะ อ, าอ่างเร่งเก่งหาเงินเยอะเมื่อรวยแล้วจะมีความสุขเนะี่ยโดนหลอกไปสี่สิบปีนะจริงๆไม่ใช่สี่สิบปีหลอกหลายชาติแหละนะตอนนี้มันเลองละงงแล้วล่ะโอเคนะกไ็ได้เวลาพอสมควรก็อันมุตนาบุญทุกคนเนาะเอาเป็นว่ า, เ, าเดี๋ยวก่อนจะจากก็ เต้อนอีกชั่วมงให้เบิเกเบิกปาแล้วคกลับบ้านนะเพราะก็ถือโอกาสนี้ก็ปิดคอร์สเนาะก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากนจักรวานพร้อมทั้งบุญบา ร, รมีที่ได้ร่วมกันระพิจารติมาได้คุ้มครองให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมัน่นขวัญยืนบรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวยเถรขับเข้าห้องน้า แล้วก็เข้ามาปฏิบัติ